ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมก่อนฉันในเรื่องหัวใจพระไตรรัตโดยสมณทราบซึงสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่30มกราคม2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ค่ะ ดีมีผู้ถามมาว่าเหตุใดเหตุใดเราจึงสวดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถึงสามครั้งคะคุณว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยดีไหมล่ะคุณว่าดีไหมเอาเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นยิ่งย้ํายิ่งบ่อยๆเนี่ยคุณดูศาสนาของอิสลามที่เขามีละหมาดะ คุณรู้ไหมเขาละหมาดวันหนึ่งสักกี่ครั้งห้าครั้งนะคุณนี่มาสวมดมนต์นา น, นจะสวดทักทีให้สวดแค่ย้ำแค่สามครั้งเท่านั้นโอ้โ ho มันยังถ้าจะว่าไปยังสู้เขาไม่ด ไ, มได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการย้ำในสิ่งที่ดีนี่ยิ่งทําให้เป็นบา ร, รมีหมายถึงเป็นการสั่งสมสิ่งที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าอย่าให้อะไรอ่ะ อย่าให้เป็นเป็นแค่จารีตประเพณีเราเรียกว่าศิลปลตูปาทานคืออย่าให้ทํากันแบบว่าเป็นพิธีกรรมพิธีการไปอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเหมือนกับให้พวกคุณสวดมนต์แล้วก็ถ้าคุณสวดไปเป็นแบบจารีตประเพณีเท่านั้นคุณก็ไม่ได้อะไรอะ่ะใจไม่มีกุศลใจไม่มีความรู้สึกแช่มชื่นไม่มีความรู้สึกเบิดบานในทำอะไรไม่มีเพราะอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ เขาก็เรียกว่าเหมือนกันนกแก้วนกกุนทองบอกให้มันพูดบอกให้มันร้องเพลงมันก็ทำไปตามนั้นนแต่ว่าโดยจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่ถึงจิตไม่ถึงใจนะเพราะนั้นที่ต้องย้ำเนี่ยนะถึงสมครั้งก็เพื่อที่เผื่อว่าบางคนนี่ครั้งแรกนะสวยไปครั้งแรกพูดทางสารนังขจามาีทำมังสารนังขจามิ สังฆังสารนางขฉ า, ามิบอกว่าจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งเนี่ยบอกไปครั้งแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเยังเฉยๆอยู่อพอย้ําครั้งที่สองเข้าไปเออเผื่อบางคนจะรู้สึกขึ้นมาหน่อยเอเอต้องระลึกให้ดีนะต้องตั้งใจให้ดีนะอถ้าครั้งที่สองยังพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอะไรอะ่ะ เอาเข็มแทงเข้าไปอ่ะแมไอเนื้อเนื้อเนื้อชันอ้นนอกนี่มันยังเนื้อตายะนะ<ง>แทงเข้าไปแล้วไม่ค่อยรู้สึกก็ต้องแทงลึกเข้าไปอีกหน่อยจะได้ให้รู้สึกอืมอครั้งที่สองยังไม่รู้สึกก็ต้องแทงลึกเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สมให้รู้สึกเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกเนี่ยแหละมันจะทําให้แบบว่าเออนะมีอารมณ์มีอาการที่จะทําให้เราเนี่ยได้นึกถึงจริงๆคราวนี้ไม่ให้ท่องไปแต่ปากเปล่าเปล่า ไม่มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ถึงว่าทำไมจะต้องอสวดถึงสามครั้งจริงๆถ้าใครเนี่ยเข้าใจความหมายดีๆด้วยเวลาเราถึงบอกว่าไม่ต้องอ้าปากสวดเลยก็ได้แต่จิตเนี่ยเราเข้าใจความหมายแล้วเราเรานึกถึงความหมายให้ดีอย่างเช่นพุทธะอันเนี้ยพุทธังสรณังคชามีอเี้ยเราจะเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งเียพระพุทธนี่ ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้ายิ่งบางคนบอกโอ้พทธเจ้าเหรอมีแล้วเรื่องเล่าเรื่องแต่งกันมามั่งบางคนก็ยิ่งไม่เชื่อเลยยิ่งไม่เชื่ออย่างนี้คุณนึกออกเหรอพระุทธเจ้าจะเป็นยังไงใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าบ้างใครเคยเห็นไม่มีก็นูน่นท่านปริิพานไปตั้งสองพันกว่าปีใช่ไห ม, เ, มเพราะฉะนั้นเนี่ย เรานึกรูปร่างยังไงที่คุณเห็นทุกวันเนี่ยที่เป็นตั้นพุทธรูปหรือว่าเป็นรูปวาดก็จิตรกรหรือศิลปินเขาก็จินตนาการเอาทั้งนั้นแหละที่ปั้นวาดมาไม่มีใครเห็นหรอกสักคนเดียวนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเรารู้พุทธะที่แท้จริงคนนี้อย่าไปนึกแต่พุทธะเป็นพุทธรูปหรือพุทธภาพนะอย่าไปนึกอย่างนั้น นึกพุทธะที่เป็นแก่นเลยที่เป็นเนื้อพุทธะคือพุทธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้อะไรแล้วกับพุทธะเนี่ยที่เราถึงจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ได้เนี่ยที่ล็กี่บอกว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยโลกนี่ก็ไม่ได้เป็นโลกอื่นหรอกโลกก็คือโลกลูกเนี้ยคือกายของเรานี่เอง เขาเขาเรียกว่าไกลยาวานาคืบเนี่ยเนีนาคืบเนี่ยตัวเนี่ยนาคืบยาวานึงเ่ยเนี่ยสูงประมาณอย่างเงี้ยนะกว้างศอกเนี่ยเนี่ยะลำตัวเนี่ยกว้างศอกเนี่ยก็เป็นสําตวนเขาพูดเลยนะยาวานาคืบกว้างศอกอันมีใจนี่แหละเป็นสัญญาใจนี่แหละเป็นตัวกําหนดเป็นตัวความทรงจําเป็นประธานของร่างกายนี้ นี่ละคือโลกลูกนี้โลกนี้ก็คือตัวเราเนี่ยแหละซึ่งมีใจเป็นประธานอยู่ดังนั้นะะรู้แจ้งโลกเนี่ยคือรู้อะไรคือรู้ตัวเราเนี่ยแหละตอนนี้เพราะเพราะว่ารู้ตัวเราเนี่ยแหละรู้โลกลูกนี้ก็รู้โลกลูกอื่นด้วยว่ากิเลสของเราก็ไม่ต่างกันแต่พุทธะจริงๆเนี่ยที่รู้ที่สําคัญที่สุดก็คือนะเท่าที่จะมาศึกษามาแล้วก็ เท่าที่เคยอธิบายให้หลายๆคนฟังคําว่าผู้รู้เนี่ยหมายถึงรู้อริยสัจโดยเฉพาะรู้ทุกอริยสัจพระพุทธเจ้าตัสรู้เนี่ยที่เราถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะท่านเพราะว่าท่านตัสรู้อะไรท่านตัสรู้อริยสัจสี่ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เันคำว่าผู้รู้เนี่ยคือรู้อริยสัจนะเพราะฉะนั้นรู้ทุกอริยสัจซึ่งรู้ไม่ง่ายหรอกระดับพระพุทธเจ้านะถึงจะมามารู้ได้แล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ถึงมาโอ้โหมาบอกให้คนอื่นรู้ตามขนาดพวกคุณเนี่ยรู้ใช่หมอริยสัจ4ี่มีอะไรบ้างอะไรหนึ่งทุกส์2สมุ ท, ทยมัยสนิโรธ4มรัก ก็รู้อีกอ่ะโดยภาษาก็รู้อีกเข้าใจกันดีโดยภาษาแต่โดยความเป็นจริงอ่ะเนี่ยแค่รู้ทุกอริยศาสตร์เนี่ยธรรมากล้ายืนยันเลยว่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้หรอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะวันนี้เดี๋ยวพอหลังเทศเสร็จก็จะต้องมีการกินอาหารเราไปเจอโหอาหารรูปร่างหน้าตาก็น่าเกลียด สีก็ไม่สวยน้าแหมดูก็ดำดำคล้ำๆพอไปเจอปั๊บเรารู้แล้วใจเราเป็นยังไงสูบว่าเราไม่ชอบอ่ะนะอ่าอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรที่จะคิดก่อนเลยพอเจอแล้วโอ้โหไม่ชอบเลยเป็นไงไม่ตกักหรือเพอๆมีคนตักมาให้ก็เป็นไงใจคิดยังไงฮะโอ้โหอุตสาตักมาให้นะบอกว่าเนี่ยโอ้โหอุตสาหตักมาให้ท่าเนี่ย น่ะมาให้เรากินเนี่ยเป็นไงพอเราเห็นอย่างนี้เข้าอคิดยังไงก่อนพวกคุณไม่เคยเจอสถานการณ์นี้บ้างเลยเหรอแหมถามไปไม่มีคําตอบกลับมาเลยเออก็ไม่อยากกินนะทีใช่หรือเปล่าเออส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งพอเราไม่อยากกินเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็พยายามไงโอ้โหนี่อุตสาหนะบางทีนี่โอโ้ซื้อมาจากนั่นซื้อมาจากนี่นะอุตสามาให้นะเนี่ย อาจจะไม่ต้องเป็นอาหารก็ได้บางทีเป็นข้าวของเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ชอบอะไอของนั้นน่ะเสร็จแล้วเป็นไงเขาก็พย า, ยาจะยัดเยียดให้เราแม่บางที ก, กัมกืนฝืนรับฝืนรับมาแต่ไม่อยากกินเลยอะไรเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นแต่พอทุกข์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเราเราโทษใครเนี่ยฮะโท ษ, โทษคนที่ตักมาให้ นะหรือว่าบางทีโต้จะแหมทําไมต้องมาบังคับเราพอเวลามันมีปัญหาถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานะส่วนใหญ่ที่เราไม่เห็นทุกอริยสัตว์เพราะว่านะพอเวลาเราเจอของไม่ถูกใจไม่สมใจเราเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นกับข้าวมาเราก็นึกถึงกับข้าวเนี่ยอใครทํามาหรือดูซิไม่อร่อยเลยอาจจะไม่ไม่ไปคิดนะว่าใครทําแต่ คิดว่าไม่กินแน่นอนแล้วเนี่ยไม่น่ากินเลยจริงๆแล้วทุกเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเรานามันไม่ได้อยู่ที่อาหารนั้นหน้าตามันไม่ไม่อะไรอะ่ะหน้าตามันอับประรหน้าตามันพิกลพิ ก, การหน้าสีก็ะครัเอ่า อ, อะไรอะ่ะลวกจนเละ <c oughs> เต้มจนโอ้โหไหมเกลี่ยมไอ้ทอดจนเกลี่ยไปหมดอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้อยู่ที่อาหารนั้นหรอกแต่มันอยู่ที่ใจเราทุกเนี่ยถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเขาชอบอย่างนี้เลยนะโอ้โหถ้าเข้าต้มต้องต้มเละๆเนี่ยเละๆแบบโจ๊กเนีย่ยแหละอร่อยถ้าเขาชอบแบบนี้คุณทำอย่างนี้มาให้เขาเขาจะทุกข์ไหมเขาไม่ทุกข์เพราะมันไม่ได้อยู่ที่เข้าต้มนั้นแต่มันอยู่ที่ใจเราคนนี้ มันต้องเห็นทุกอริยสัจตรงนี้ให้ได้ว่ามันไม่ได้ทุกที่ข้าวของนั้นฮอนด้าซีอาวทำให้ทุกหรือเปล่าฮะฮอนด้าซ huh? ีอาวซ่อมแล้วตั้งหลายทีเนี่ยไอฮอนด้าเนี่ยทำให้เราทุกเลยต้องทุบฮอนด a มันทำให้เราทุกใช่ไหมเลยต้องทุบมันมันอยู่ที่ฮ o n ด a หรือเปล่าไม่ใช่นะแต่มันอยู่ที่ใจเรา วันคราวนี้ทุกอริยสัจจะต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ตรงจิตใจเราที่มันโกรธมันเกลียดชังมันไม่ชอบมันถือสาไปติดต่อกับบริษัทเขาแล้วกับบายเบี่ยงอย่างงั้นอย่างนี้ซ่อมแล้วก็เดี๋ยวซ่อมตรงนี้แล้วก็เสียตรงโน้นใจเราไม่ชอบใจอึดอัดขาดเครื่องเห็นทุกตรงนี้ให้ได้ทุกเพราะความไม่ชอบใจความไม่ยินดีความเกลียด ความโกรธอะไรของเราพวกนี้นี่คือทุกข์อริยสัตว์สัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยคือสัจจะคือความเป็นจริงคือต้องมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงตรงนี้ให้ได้ว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่รถไม่ต้องเอาค้อนไปทุบ ก, กระจกรถไม่ต้องเอาพั่วไปทุบไอหน้าหมอรถไม่ต้องถ้าจะทุบนี่ต้องทุบที่ใจตัวเองถ้าจะทุบเนี่ยนั่นต้องทุบที่ใจตัวเองว่า ه, คิดอยู่แต่อกุศลคิดอยู่แต่ไอ้ที่มันลายๆคิดแต่ไอ้ที่มันจะน้อยอกน้อยใจอุตส่าห์เก็บเงินมาโอ้โักเหลือเกินในฮอนด้านี่นะจะซื้อไอ้ยี่ห้อนี้รักเหลือเกิ น, น, น, นะ น, กกนถูกใจเหลือเกินวันทุบผิดที่ต้องทุบที่ใจตัวเองเนี่ยตอนนี้โตโยต้าเขาเสนอมาเสนอจะให้กับคุณเดือนเพ็ญเนี่ยโตโยต้าเขาเสนอมา ให้ไปลองขับก่อนเลยเออไม่ถ้าพอใจแล้วค่อยซื้อออไม่พอใจก็ไม่ต้องโตโยต้าได้โอกาสโฆษณา <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าใจยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคือคือจะเอาตามชอบหรือเอาตามใจตัวเองอยู่อย่างเดิมเนี่ยถ้าเกิดไปทดลองยี่ห้อไหนก็ตามแล้วเกิดไปเจอไม่ถูกใจไม่พอใจอย่างนี้อีกคุณว่าเขาจะทุกอีกไหม เขาก็ทุกอีกต่อให้ยี่ห้อไหนก็ตามเพราะนั้นอดมาถึงบอกว่านี่แหละต้องมองทุกอริยสัจให้ออกว่ามันไม่ได้อยู่ที่รถนะไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อด้วยแต่มันอยู่ที่ใจเราคุณว่าคนที่ซื้อรถไปไม่ว่ายี่ห้อไหนรถทุกคันเนี่ยพอซื้อมาใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยทุกคันเลยหรือเปล่าฮะคุณว่าเป็นอย่างนั้นไหม ไม่ใช่อย่างที่ที่คนนั้นเขาตอบคุณเดินเพนนะว่าร้อยคันจะมีสักคันหนึ่งไอ้ตอบอย่างนี้แหละเจ็บตัวอตอบอย่างเงี้ยมันจริงจริงนะส่วนใหญ่ะทุกยี่ห้อมันก็มีทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถคันเขียวเนี่ยเบนเนี่ยรถตู้เนี่ยโอ้โหซ่อมกันแล้วอะไรกันก็นแล้วเนี่ยก็มีปัญหาแต่ว่ารถมีปัญหาเนี่ยจะทําให้คนทุกใจได้ไหมถ้าสมมุติว่า เรามีความรู้เรามีความเข้าใจคุณจะไปให้ใจมันทุกข์ให้ง่ทำไมใช่ไมล่ะไอ้ส่วนแก้ปัญหาเอาก็ต้องแก้สิซ่อมได้หรือว่าคุณจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนยี่ห้อเออคุณก็แก้ปัญหาไปก็เปลี่ยนไปแต่จะไปง่าทาให้ใจเนี่ยมันทุกข์ทำไมเพราะคนที่จะรู้อริยสัจเท่านั้นแหละถึงจะไม่ทำให้ใจทุกข์แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยมักจะชอบทาให้ใจตัวเองเนี่ยทุกข์ วันทุกที่แท้จริงเนี่ยใครเข้าใจทุกอริยสัตว์ได้จะรู้ว่าทุกพะกิเลสของเราเองความอยากของเรานี่ยแหละอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่ใจเราอยากไม่เป็นไปตามความต้องการของเราแล้วเราก็เลยทุกนะเพราะฉะนั้นวันหลังไม่ต้องไปแบกค้อนให้หนักไม่ต้องไปถือผูอ้โยเหมันลําบากยากเย็นอะไรนะเนี่ยแหละ จัดการที่ใจเราทุบที่ใจเรานี่จัดการเลยเพรา ะ, ะนันทุกอริยสัจเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้นะคนนั้นจะแบบว่าเริ่มเลยเริ่มจะปลดทุกออกจากใจได้เลยทันทีแต่ถ้าใครเข้าใจไม่ได้เนี่ยนยกตัวอย่างขออภัยนะไม่ได้ไปไปอะไรหรอกถือว่าให้กรณีรถฮอนดานี่เป็นอะไรอ่ะอุทาหรณ์นี่แล้วกัน นะสอนคนหรือว่ามาสอนใจก็แล้วกันไม่ได้ไปเจ ต, ตนาที่จะไปอะไรกล่าวให้เขาเสียหายอะไรนะแต่เพื่อที่จะมาให้เป็นแง่คิดเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่อยากให้เราคิดในทางที่ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกุศลแล้วก็จะพาให้พ้นทุกข์แม้แต่เจ้าของบริษัทหรือว่าผู้จัดการบริษัทฮอนด้าด้วยนะจยิงๆก็ไม่ได้ทุกข์หรือว่าจะต้องไปอะไรไอ้เรื่องรถนี่หรอก ถ้าเขาทำจิตทําใจเขาเป็นนะเขาลูกประเด็นปัญหาที่ถูกต้องเขาก็จะไม่ไม่มาทุกข์อย่างนี้หรอกแล้วก็แม้ว่าอาจจะขายในน้อยลงนะเพราะหลายคนเลยที่กำลังจะซื้อพอดีเลยยี่ห้อเนี้ยปรากฏว่าเปลี่ยนใจไปหลายรายโอ้เพราะฉะนั้นรับรองรายได้เขาต้องตกลงแน่แต่เขาจะไม่ทุกข์เลย หรือถึงทุกข์ขึ้นมาเขาก็จะปรับจิตปรับใจได้ถ้าเขารู้ถึงทุกข์อริยสัจว่าไม่ใช่เพราะลดขายได้น้อยลงแล้วเขาถึงจะมาทุกข์ไม่เลยเพราะบางทีเี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยจะรู้ว่าคุณจะขายได้ตลอดกำไรทุกวันเน่ยเป็นไปได้ไหมไม่หรอกบางวันก็มีขาดทุนบ้างหรือบางทีมีเสียหายบ้างหรือได้น้อยบ้างหรือ กำไรได้มากบ้างเพราะั้นมันจะต้องเจอแน่นอนเพราะคนเข้าใจทุกอริยสัตว์แบบเนี้นะก็จะไม่ไปทุกข์ไม่ไปกุ้มไม่ไปอะไรมากแต่ปัญหาต้องแก้อาตมาเคยยกตัวอย่างจําได้ว่าที่เทศบ่อยๆเนี่ยชอบยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นบาคนทําท่อนะท่อมันตันก็มาเปิดฝาท่อไว้เสร็จแล้วเราก็ไม่ทันมองอนะ เดินด้วยความสุขความเพลิดเพลินวันนี้โอ้โ ห, หน่าถูกไว้อะไรไม่รู้มาจากไหนอารมณ์ดีมาเชื่อเดินเดินเดินเดิ น, ดนมาไม่ทันมองว่าฝาท่อมันเปิดอยู่เดินตกท่อเดินตกท่อมันก็เจ็บป่ะทีคราบนี่นะบางทีแข้งขาโอ้โถะลอกปอกเปกเลือกไหลบางทีพอตกท่อไปยังไม่ทันลุกขึ้นมาเลยนะยังไม่ทันลุกออกจากท่อเลยด่าแล้ว ด่าอะไรก่อนเลย เ, เออใครมาเปิดฝาท่อทิ้งไปวะ <c oughs> กอนเลยลนะเออหรือไม่ก็บางทีมองยนยะอาจจะไม่ทันด่านะมองซ้ายมองขวาเลยใครอยู่ใกล้ๆอะ่ะ <c oughs> เริ่มเป็นที่ต้องสงสัยทันทีเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยิ่งตัวเกิดมองไปแหม่ ม, นมนหน่อยนะไอ้นี่ต้องมาเปิดฝาท่อไว้แน่ๆเลย เ, ออเริ่มเลยทันทีเลยคราวเนีนะ้นี่เนี่ย คือไม่ได้มองเห็นตามความจริงว่าตอนนี้ที่ทุกข์อยู่นี่มันไม่ได้ทุกข์เพราะตกท่อนี่ไม่ได้ทุกข์เพราะใครมาเปิดฝาท่อไว้ไม่ใช่หรอกแต่มันทุกข์เพราะไอ้กิเลสเราเองเนี่ยแหละที่จริงแล้วเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้จริงๆเราพลาดเองเราเดินไปตกเองไม่มองเองนะแล้วก็ตกท่อไปเองไม่มีใครทำเลยอะ่ะตัวเองเป็นคนทาเองนั้นนะถ้าทษควรจะทษใคร <c oughs> ควรจะทษตัวเองอ แต่นี่ยมามองซ้ายมองขวาเตรียมโทษคนอื่นครับคนโดยกิเลสจะเป็นอย่างนั้นคือจะไม่ค่อยมองเห็นทุกข์เพราะตัวเองทําขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยตกท่อไปอาจจะไม่เจ็บนะเจ็บแต่ไม่ทุกข์ได้ไหมเออทําไมถึงได้อ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยกรณีเนี่ยที่เกียมาบอกเกิดถูกหวยมาโอ้โหหลังสุดนี้เขาบอกว่าอะไรนะ แจ็คพอตแตกใช่ไหมเท่าไหร่ยี่สิบห้าล้านหรือเท่าไรมันก็จําไม่ได้แล้วนะสมมตินะขนาดเดินตกท่อไปนะแต่ใจนี่ยังคิดอยู่แต่ไอ้แจ็คพอตนะเดี๋ยวจะไปรับเงินหรืออยู่แล้วหรือว่ารับเงินมาแล้วก็แล้วแต่โอ้กําลังอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมากเลยนะกับเองเงินเนี่ยเอาเข้าธนาคารเรียบร้อยเรียกว่าตกลงไปนี่ขาถลอกอปอเปิลเลือกไหลนะไม่รู้สึกเลย ก็ยังยังอะไรอ่ะชุ่มฉ่ำอยู่กับเงินที่ได้มาอยู่เลยตกไปเนี่ยเรียกว่าไม่กลัไม่เกลียอะไรใครเลยนะยังแหมอะไรอ่ะยังคิดอยู่ว่าโหได้เงินมาเยอะแยะเดี๋ยวจะได้แจกใครบ้าง <c oughs> อ้ <c oughs> เห็นไหมถ้าจิตจิตเขายังคิดอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงเขาตกท่อไปเขาจะทุกข์หรอเขาไม่ทุกข์หรอกว่าเห็นไหมจิตเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็เป็นประธานแล้วถ้าเราเข้าใจสภาวะพวกนี้ได้เนี่ย เราจะคราวนี้เริ่มจะเห็นทุกอริยสัจได้ชัดเจน